ใช่ถ้าการครั้งนี้สำเร็จลูกจะถว า, ายคุณเรียนต่อมหาวิทยาลัยหลวงพ่อหนึ่งปุนณ์ไม่เดียวเอ๊เอจะให้หลวงพ่อไปเรียนมหาวิทยาลัยไหนกันเนี่ยไหนดิมหาวิทยาลัยลงผีลง <c oughs> ขอบารมีหลวงพ่อโปรดประสิทธิ์ประสานให้ความปรารถนาของลูกสำเร็จด้วยเถิดพระเจ้าคา่ะขอไปเจอเจ้าภาพจชื่อรวยๆนะ ไว้ดูอยได้ยกกองไัฒนะครับอยได้ยกตรงสิบเปเซ็นต้องเสียไปไปด้วยแหาบข้าวน้ำมันสกจาระเดชกุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงสุดลูกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสังฆทานครบชุดคือว่าที่ศูนย์พุทธสัทธาท่าลานมีสังฆทานก็ทำแบบเดียวกับที่ตอยสลมทุกประการ แต่บังเอิญมีท่านสมาชิกคนหนึ่งมีความพอใจประพุทธรูปเทียงแสนก็อยากจะเอาไปบูชาที่บ้านจึงถัดจัดการหาสิกรรมแต่ว่าคณะกรรมการยังไม่ลงมาติดให้มาถามหลวงพ่อว่าจะสมควรหรือไม่เพราะเขาต้องการจะเอาเงินเข้าในศูนย์แห่งนี้เจ้าข่าไม่รู้ไ ม, ไม่รู้โอ้สอบได้เก่งมากเนยโอ้ ชัดเจนเลยนี่นะนเอานี้ดิซื้อมาจากสมมาเท่าไรขายเข้าไปเท่าตัวจะได้เสมอกันเนช่ะอย่างนี้ก็ไม่ขาดทุนนะเจ้ามาเลยเลยนะปละา้าทหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกฝึกมะนมยิทธิครั้งแรกก็ได้มีโอกาสไปกราบพระสมมาสมุทิเจ้าที่พระจุรามณี เมื่อลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อลงมามีโอกาสไปเจอโพอตสตเตอร์แห่งหนึ่งเขาบอกว่าเป็นวิสุทธิเทพมองดูแล้วเหมือนกับว่าท่าซุ่มเปี้ยเหมือนกับที่ลูกไปเห็นบนที่ข้างบนทุกประการอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าอารมณ์แบบนี้ลูกอยากจะให้มีมั่นคงต่อไปจะควรปฏิบัติเพิ่มเติมเสริมต่อแบบไหนจึงจะให้อารมณ์นี้อยู่กับลูกต่อไปเจ้าค่ะสร้างแว้นตาคนนะ โอ้ข้างันตาเลยเขาเขา监察เขาเรื่องที่เค่ที่คนตา๋อ้แต่ยังได้อยู่มาตรฐานเลยนะเข้ใจนั้นแล้อารมณ์เดิมไม่ใช่ อ, อารมณ์ที่ทำได้ข น, นศาดไหนทุกอย่างรุกษายอย่าเล่นรัดอ ย, ะ ย, ะ ย, ะยะ่าเสกเกินไปอย่บตึงเกินไปอ ย, ย่าขยันเกินไปเอาให้พอดีพอดีห้ามมีเกิ น, กนไปอเอาพอดีพอดีนะจจาก็เป็นนั้นว่าเจ้านี่ก็ ให้รักษาอารมณ์เด <decent. S 1> <this> ิมไว้หลวงพ่อขอรับลูกเป็นคนที่โง่และไม่ฉลาดเลยถูกต้องโง่จะฉลาดก็ยุองใช่ใช่นี่เราก็สารภาพถูกแล้วนะโมทนากับความโง่เขาเลยแค่เราจะได้โง่ตามกราตอไปลูกเป็นคนโง่ไม่ฉลาดเลย ฟังหลวงพ่อเทศก็จำได้เฉพาะที่ซอยสายลมกลับไปแล้วก็งเหมือนเดิมคือจำไม่ได้วันนี้ขอจำเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ยอมง่ต่อไปแล้วคือจะถามดังนี้บอกว่าวิธีที่จะตัดขันห่าให้ได้มาตรฐานตลอดชีวิตตั้นควรจะเริ่มต้นแบบไหนและไปลงท้ายแบบใดขอให้หลวงพ่อช่วยตัดเป็นตัวอย่างให้ดูสักครั้งเถิด ร, รับเริ่มต้นนะแต่ฉันไม่ตัครับ ท่องไปแล้วเขาบอกให้เป็นตัวอย่างตูบาลนั่ก็เริ่มตัวตรงนี้นะลาหาสตังเข้าสตังหาสต้าหาเงินนะหาเงินอ่ับครัเงินพอที่โตเล่มนึ่งได้เห็นเมื่อวันหนึ่งรับไดยคมฟันคอก่อนได้เลโอ้เพราะตัดพอแล้วก็อีกอื่นก็ว่ากกันที่หลังนี้เรื่องเงินไปเก่าเก่าแ่กันห้ากับเมียไรเล่าคนมันเกิดแก่เจ็บใจก็ดูให้เห็นเนะ โอ้ใช่ภาพสัจภาพใช่โอเรื่องสืบสันนิษานใหญ่ก็ของจริงที่เราเห็นอยู่ครับครครัคนก็เกิดมาได้ก็เด็กแต่เด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มหนุ่สาวจากหนุ่มสาวก็เป็นคนกลางคนคนคนคนตั้วแต่แก่แล้วก็ตายร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีแช่นี้่ละโอต้องต้องไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใช่ใชเอาที่ว่ามันต้องตายลกันเอ๋อ เอาตาไปเกณฑ์นี่ยตาตัวเดียวพอเอา้าไปตัดก็ใหม่นะเอา้าเลยเลยค่อยไปง่ายลูกเลยกบบใยนะเจ้าตาเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่กรรพบอย่างสูงปัจปจุบนันนี้ปรากฏว่าลูกได้ถูกทั้งโทษจากเทวดามาเป็นเวลาสองปีกว่าแล้วรู้สึกว่าทนไม่ไหวจำเป็นจะต้องมาพึหลวงพอ่อบ ให้หลวงพ่อบอกเทวดาจะลงโทษผมต่อไปเลยผมมีเรื่องดังนี้ผมจะถูกคําโทษเวลาทําสมาธินอกนั้นไม่เป็นอะไรเลยนั่งสมาธิทีไรจะต้องปวดหัวปวดโน่นปวดนี่ดีไม่ดีอารมณ์ก็ควยเขวผมคิดว่าเทวดานี้จะต้องกับผมจะต้องมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้หลวงพ่อช่วย แนะนำเทวาดาอย่าลงโทษผมต่อไปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะยังไม่รู้เทวดาองไหนเลยเพราะว่าเทวาดามีเยอะนั่นเหรอใช่เดีย๋ยวนี้เขไม่เรียกเทวดาเขาเรียกอะไรครับเรียกขันธมารค น, นลั่วกรือว่าปวดน้่นเป็นนี่เป็นอะไรใช่ใช่ใช่คอใช้ราถาแบบนี้ดีจะหาย พ่อโปรดเมตตาแนะนำให้โตๆๆนะครครับช่างมันช่างมัน่าฮ่า่มันจะตายก็ช่างมันจะปวดก็ช่างมันก็ให้รู้จักทุกทุกอริยสเนี่ยนี่ร่างกายมันเป็นทุกอย่างนี้ถ้าเรามีร่างกายอยู่ใช่ไมครับถ้าเราเกิดไปนิพพานไม่มีร่างกายนี่มันจะไม่ทุกอย่างนี้ เป็นผิ่ร่างกายนี่เราไม่ต้องการไม่ติดขนาดพอแล้วอ๋อไม่ต้องการร่างกายใช่ใช่่ชโอ้ที่กลับไปนี่หัวเกิดไม่ต้องการร่างกายเมียเมียไม่ต้องการร่างกายหัวใยุ่งกันวพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้ยุ่งตรเนี้ยเอนื่ อ, อจะต้องทําหน้าที่มาสับเปลต่อนะครับครับมบรเอ๊กรรมฐานที่วนไปวนมาในร่างออกายก็ทําที่ร่างกายโดยเฉพาะพระเจ้าเทสไหมพระเจ้าพิดกมีขันห้าเรื่องเดียวเปลี่ยนในสันวนนท์ตัเองโอ ว่านละไปดูหน้าไหนที่ไม่เกี่ยวขันห้าไม่มีเลยไม่มีเลยท่นเคยไปถันเลยท่านอาจารย์ว่านงท่านอ่านมาเต็มยนุกวาสามปีปีหลายเที่ยวนะปีที่หนึ่งอ่านไปอัานมามาไปปีเสาจุดของพ่อปีสามท่องจำบางตอนยังจำไม่ได้หมด การกระชักโมโหตัวเองว่าทาไมคนที่ไม่เคยเรียนมาเลยเนี่ยพอไปอา่านในสมิธายางทึ้นบอกรบตรงไปใต้พิดก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยก็ไปถามท่านบอกว่าเขาทรงเป็นยังไงไรครับท่านถามว่าแกอ่านใจ้พิดกันกี่เที่ยวต่อเที่ยวเที่ยวไม่ได้ครับสนับปีโอปีหลายเที่ยวก็อ่านสามปีจบด้วยห้องบางตอนท่านบอกกลับไปดูใหม่ที่หน้าไหนที่พระเจา้าไปโพสต์ขันห้าบอกถ้างั้นผมไม่ไปดูครับ โอ้โหเรียนจะตายยมีใกล้แค่ไันห้าอย่างเดียวถ้าเปลี่ยนสำนวนกันของุคคลบางพวกที่ฟังเหมือนกันไม่ได้ไม่ใช่อย่างเราเนี่ยเราพวกเราพุยาม่อใหญ่ไม่ไป็โรอะไรก็กินมอดนั่งมาหายมาหายมาหายก็ตายแรง แต่แต่ก็ขันหน้าเองไม่เดียวไม่มีอะไรมากเลยครับอ๋อจะสาเร็จแล้วไม่สาเร็จก็ขันหน้าที่ร่างกายเนี่ยเอาร่างกายพอร่างกายที่กว่าไม่สนใจร่างกายเท่านั้นพอแล้วอ๋อจะบวชนานไม่นานก็ร่างกายเนี่ยนะแค่นั้นแหละจะมีลูกาหรือไม่ก็ที่ร่างกายนะโอ้แม่ถ้าเจอหลวพ่อถ้าตอนแรกฝ่านนี้ผมตอนนี้ได้ชั้นไมคนคือชันเป็นขันศิษยไปเลยอ้าวขานหน้านี่แหละไม่ใช่อะไรอื่นหรอก ตาฟ้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกมั่นคงในพาระรตนใดแต่ก็ต้องตาสาวนิดๆในเมื่อครบคนะนี่ตามไปส่งสุก่งในเมื่อคลุมบุตรได้ประกาศพยากรณ์ว <c oughs> ่าแทนอะไรครัไอ้ดินจะไห ว, จ ะ, ไวจะมีผลกระทบกระเทือนถุนงกลมเทพลด้วยที่จะกราบเรียนถามนี่คือเรียนถามว่าหลวงพ่อมีอะไร ที่ลูกจะเอาไปป้องกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดที่กร<อ>ุงเทพไม่อไม่อยากไม่อยา ก, อยากโอ้มีเหรอครับโอ้นโยบายเจ๋อเขาเกิดกัดนที่เองเพราะว่า<ไ>ยึดพยายามย้ายจากกรุงเทพไปเช่นี้สุโอ้ดีเป็นคำแนะนำที่ดีที่สุดใช่ก็ไม่จะไหวที่กรุงเทพอโอ้ยนะังังต่อย้ายไปอยู่วัดข้าตรงก็หดเรื่องหนดราวเลยนะดิเฉยเไม่เทอะไม่ไม่แคร์ไหนโลกประเทศไทยน่ะอ๋อ อย่างมากดี่สือก็ต้น อ, อ้อยหักไ อ, ไอสิดตัวไม่ตัวอะไรพ่ไไรอไปไปนอนไปนอนคอยติกฟังนเนียอิสี่วันติดสองวันกูจะเป็นแบบนั้นนอะอแต่ลูกหลานแล้วพ่อสูยมากก็ <c oughs> เราจะโง่ทำไมเล่าเกมขนมฟังไราจรินนะโอ้ยิ้มวันยีวันก็อยู่ได้ใช่ใช อ, อยู่ได้ขนมตังเกมน้ำไว้นะครับๆรครับโอ้ห้องช่วงห้อง่วก็สบายเลยนะที่ ไว้คอเราก็เก็บของใหม่ได้วนไปวนมาอาตกลงว่าพี่น้องชากรุงเทพไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องไม่ไม่ต้องวุ่นเพื่อนไม่นางไม่หนางแลอไม่นางใช่เพราะว่าชีวิตตกเลยว่ามีตึกสูงๆมีเยอะหัวนั้นก็เอาไม่ตกลัวดีกว่านะยังไงยังไงมีอะไรเกิดขึ้นก็เรียกหลวงพ่อช่วยแล้วกันทางนี้ก่อน ยังไงครับผ่กอครับฟับงมุตุเขาบอกว่าจะไว้วันพรุ่งนี้วันนี้ไปวัดตาสุงเลยโอ้โห <c oughs> ลบไปซะวันหนึงน ะ, ะนนงแค่นี้ก็สบายจังถามขวัญ น, นะขวันลุยทีนะ <c oughs> ลุงพ่อเจ้าขาแหม่ย่าของลูกชื่อนางหยกประยงคุณ ซึ่งหลวงรับกับขันตายไปแล้วมาเข้าฝันว่าลบากมากอันนี้ไม่สงสัยแต่ที่สงสัยก็คือว่าลูกตัดบาปพิระทยโยลูกถวายสังฆทานลูกสวดมนต์ลูกขอบา ร, รมีพระพุทธเจ้าหลวงพ่อทั้งๆ ท, ที่เก่งสุดเก่งแล้วเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถช่วยได้แสดงว่าลูกจะต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสมงรอบสุญญา ขอหลวงพ่อนโปรดเมตตาแนะนําสิ่งที่ขาดตกบอกพร่องด้วยเถิดเจา้าค่ะไม่ขาดไปตกไม่บอกไคร่องที่ทํามาแล้วดีเลยครับใช่ดีครบถ้วนทุกอย่างได้เลยสมยยากแต่ว่าคนนคั้นเขา ย, ยังไม่มีโอกาสโมทนาโ อ, โอกาสยังไม่มีโอ้ยงี้ต้องรอโอกาสแล้วครับใช่แต่นี่ถาม ว, ว่าบอกให้มีโอกาสละโอ้เอาละเวลาทําบมวก็ตั้งใจให้คนเดียวไปเลยนะเฉพบัะ ออถ้าหากถ้าหากว่าคุณพิหลายๆคนนี้ผลไม่ค่อยนันไม่แน่นอนคุณพิสสากแล้วว่าเจาะจงอ๋อภาษาบาลีแปลใช่ใช่ใช่เจาะจงครับเอาต่อไปนะถ้าจะอุทิศในดนตาให้เจาะลงไปเลยนะครับไม่ได้สบายกราบธรรมสการหลวงพ่อสิครลบอย่างสูงลูกมีความท่องใจเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์โสดาอะไรปฏิมรักโสดาปฏิผล ว่าจะมีลักษณะแตกต่างกันมากน้อยเพียงไรสมมุติว่าเวลาลูกบรรลุเป็นโสดามรสดาผลนี้จะรู้ด้วยตนเองหรือไม่เจ้าคะเจ้ารู้ด้วยตนเองพระเจ้าจะบอกว่า<ต><ต>ถ้าถึงแล้วก็มีญาณเป็นเครื่องรู้บอกเองไม่ต้องใครบอกใครไม่ต้องรา<ห>คน อ, อือ่นมันแน่นอนครับ เอาเงี้แล้วกันจะงไงก็ก่ถ้าบังเอิญเราจะไม่รู้เองนะ จ, จะมีพระบอกแต่ไม่ใช่พระพระนเนื่อๆนะแล้วพระแบบไหนมีอะไรนะพระพุทธเจ้าจะบอกเอง อ, อย่างตอนหนึ่งนีนก็จะโดกนกรรมฐ า, านเราเข้าใจกันว่าจะเป็นสกิทาค า, ามีแต่พุทธาจ้จะบอกว่าอย่างนี้เทเรวันโสดาบานนาัานละเอียดพเทกรวิชีใช่ไหมอารมณ์คล้ายกันร เอาจะคล้ายๆคุณจ hey. ัมากเลยนะใช่คุงมากอย่างนั้นก็ไม่ต้องห่วงเนะนะเมื่อบรรุแล้วถ้าไม่ร settled, บบ <sub> ู้เองก็จะรู้จะเจ้าบอกเอาไว้ก็สบายใจหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงอเมื่อเดือนที่แล้วหนูไปทําฟันในขณะที่หมอกําลังบุดฟันหนูอยู่หนู เป็นคไม่ใช่หนูนี่หมอหมอทันตแพทย์ทานพันหนูที่จะฟังไว้ดีนะฮะเอาพันพันพันตะคำพตะหนูเลยอ่าเอาคนดีกว่านะลูกเลยกันอ่าในขณะที่หมอกําลังปุ่นันหนูอยู่นั้นก็ปรากฏว่าหนูก็ใช้แบบฉบับหลวก็่อหนึงภาวนานามัพทะสองจับภาพหลวพุทธลูกไปด้วยลูกมีจิตเป็นสุขมากแต่ชั่วแป๊เดียว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 แต่นึกอีกทีว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วต้องไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นที่จะเรียนถามว่าท่านมาปรากฏในลักษณะอย่างนี้มาดีมาลายมาสมเพราะหรืออย่างลายขอหลวงพ่อได้โปรดไมท่านมาดูว่าถึงเวลาตายได้ยังอย้ยาโอ้ไอ้ก้มๆดูนี่มาดูเรื่องตายเลยไหไม่น่ามาเลยอย่างนี้อ้าวควรจะมาอ๋อท่าี่ก็เป็นเทวดาแต่สงเพราะตัดตัด แล้มากไปเงนั่นฉันไม่ทำฟันดีใดกัแบบนั้นอ่ะฉันไม่รู้เรื่องอ่ะลูกเพื่อเพื่ประกลางกันเหรอเนี่ยนี่หนแล้วทเรียนททันเลิกมาเนี่ยฟันฟันเสียวฟันผุยังไงนะครับครอาหมอบอกจะเจ็บเขาจะเจ็บจะเสียวไหบอกถเขาบอกถึงท่านเจ็บเสียวบอกเออมแล้วไปเราก็เปิดแนบไปเลยเหรอครับเหมือนก็หลับอแต่ความจริงร่างกายเหมือนหลับแต่ใจไมได้หลับมันก็เที่ยวไปคุยใครตะใครเรื่อยๆเฉยไป โอ้ไอ <t ries> ้ความรู right. are, uh ้สึกทางทางไอ้เลิกกันออกยุเวลาเจ็บแค่ได้ป่วยแล้วก็ย้ายย้ายหรือไปไหนที่ไหนได้ใช่ย้ายเข้าส่งนี่ก็ถือว่ได้วิธีใหม่แล้วกอ่าวกล่ากล่าก็เป็นอันว่าที่เห็นนั้นก็เป็นเทวดานะใช่ใช่มาสงเพราะจะได้เจ็บร้อยลงเป็นหน่อยอ่าวกลาบนมัสการหลวงพ่อสิกรลอย่างสูง กออ็มีวันหนึ่งพลาดไปถนัดคือเกี่ยวกับเรื่องเตรียมตัวที่จะใส่บาทพระบังเอิญตื่นสายไปดิสเงนพระก็ไม่มาก็เลยเอาไปถวายพระอีกวัดอีกวัดหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกันพรากรว่าพระไปฉันเพลนอกวัดหมดดังนั้นลูกเลยต้องเอากลับบ้านมานั่งมองอยู่ต้องนานว่าจะกินเองก็เกรงว่าจะเป็นโทษให้จะทิ้งไปก็เสียดายเลยลูกเอาไปถวายพระพุทธรูปที่บ้าน ถวาเสร็จแล้วก็มาทานเองอย่างนี้จะมีโทษหรือเปล่าเจ้าคะไม่มีมิตรคุณมิตรคุณเหรอครับเขาตั้งใจไปทาบุญแล้วมันมันเป็นบุญแล้วตัวตั้งจับชินใจนี่นะครับคตั้งใจถวายพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์ไม่อยู่กลับมาถวายพระพุทธใช้ได้เลยได้ทั้งสองทางพุทธานุตติสังฆามุตติทานบารมีโอได้เลคือบางคนไม่แน่ใจแหมตั้งใจจะทําบุญมากินกลัวจะมีโทษมีอะไรอะไรนะ แม้ความสิ้นน่าจะขอแล้วส่งปลษยสันีไปก็ยังจะดีอสวัสดีครับลากเท้าหลวงพ่อสิ่งก็รับอย่างสูงเอลูกเองไม่สามารถที่จะให้ความสว่างแก่บุคคลอื่นได้คือว่าคนเขมาถามว่าอย่างนี้ว่าการบูชาพระบัวเข็มนั้นจําเป็นจะต้องหล่อน้ําให้ท่านลอยอยู่ในน้ําถึงจะถูกต้องถึงจะได้ผล ลูกเองไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้อยากขอความสว่างจากหลวงพ่อว่า<ม>ควรหรือไม่อย่างไรจึงจะมีผลสมบูรณ์แบบเจะค่ะแต่ความเยิงคนถานไม่มีความรู้แท้ฉันแล้วนะอ้าวทำไมแล้วหลวงพ่อฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต <c oughs> อนนี้ก็หายกไปเลย <c oughs> ใช่มีความรู้เท่ากันแล้วไม่รู้เอามาจากไหนเรื่องละโบงโบงเถียงเราลอยด้วาโอ้พระคุณ คนันยิโรทศนมาบา่ายกลาอทะเลภูพชุดก็บกเข็มยี่อ ง, ยองเดียวกันเหรอครับองเดียวกันงั้นเรือกเป็นยังไงขอสันิไม่รู้ <c ười> อ่ะแบว่าจะเอาจริงๆบอกไม่รู้เลยกระจายเขาบอกโอ้พุดไงเราอาจบรย์ภาษาเราือทะเลใน น, นี้เรแก้วอยู่ใี่ไหมเ<อ>ขาเลยทาเป็นผ้าโบกเข็มมาทำเป็นโบคว่ำคุมหัวอยู่บางทีเรื่องม่าเม่าิดขึ้นมันช่ไม่ใช่ไทยแลนด์นะไม่ใช่ไทแลนด์อ๋อ เขาเยกวเข็มพม่าบบครับตกลงว่าจะมีน้าหรือไม่มีน้าก็ตามกันก็ไม่จำเป็นครับับครเอาจิตเปนใหญ่กันแล้วแต่บูชาถึงขันกันแล้วกันนะครับครับ่ลืมว่าเราบอกเข็จที่เป็นประสงค์ไม่ใช่ประรูโออยังั้นเหรอเขาใจปิดันหมดเลยโอ้ไปตั้งแทนเดียวกับพระพุเจ้าโอไม่ใช่เหอไม่ใช่ีขั้นข้าศาวกนันเองาแทนท่านแทนอพุทธีงแล้วเขาทาแทนอพุทธครับโย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 วิธีเตรียมไปก็คือหนึ่งนุ่งกับเจงแล้วนุ่งผ้าอไม่นุ่งกระเจงไม่ก็ได้เป็นกระเจงนอกจาใช้ได้ครับโอ้ละเอียดรอสมเสื้อให้ดีครับครับให้เดินให้เรียบร้อยครับให้ดีลขายไว้ที่หน้าวัดโอ้ไม่ได้อะไรมากวิธีปกติครับออกแต่งกายก็ไปกางขาแขวะอะไรก็ได้ใช่ใช่ดีอย่างนะปรีสไตล์ไม่เคยมีบทบาทมากที่วัดนี้ อ่าเป็นกว่าถ้าจะเข้าพิธีก็ต้องไปก่อนหกโมงด้วยก่าเขาก่อเลิกถ้าเริ่มลอวเขาปิดประตูเออจะจะติดแปลกใจเมื่อคราวที่แล้วที่เสกพระมหาลาภความข้าโดยเฉพาะอย่างนี้เวลาเขาเสกเสกเนี่ยมีพระอะไรมาสีห้าออกสวงกูโว้กโว้ยโว้ยขอลวงพ่อเดียวเลยเหรับชบายไม่ดูอพวกเว้ยเวยทานผิดมกว่าเพราใช่รงงขึน บนกวิเวไปสลอกที่บ้านอ้หนั่น่นนัที่ขึ้นานยักษ์เลยหอใช่โอมที่นั่งโกลมที่เพื่อเพื่อเลยนะเป็นอันเราวิธีว่าถาทมบรณถูกต้องแล้วนะใครเข้าวิธีนี้จะได้ไปยิงซุ้มไม่เคยมีเสียงอ๋ไเห็นซุ้มจอดมีเสียงนะครับครอยแพรเฉยๆตีทั้งตีมันมีเสียงเราจะขึ้นมากระทบแตงก็เสียงไม่ดังมาก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 ใจเขวางสูงนะสูงไปเลยครับสูงถ้าว่ามันโหนทิศนี่ครับันนี้เล่นลาชาสามมาสองสามเลยน่เนยเออผู้ชันน่ะตัดใช้สมุนเสมออย่าลืมว่ากาหนดเวลามีอยู่ที่พุทธเจ้าจะบอกว่าต้องทันวารหมายถึงว่าทันวารองทานาหน้าเนี่ยถึงละเป็นสองทันวาเนี่ยต้องรอกษาสองปี ขอโลกหายใครเจ็บถึงจะบรรเก็คลายมาเรื่อยๆเนี่ยพยายาครายมาเรื่อยๆมันคายมาเอ ย, ายาเอะแล้ว อ, อย่าลืมว่าการกดข่มกรรมเก่าทำให้มากมีใช่เล็กน้อยอนี่เการดิ่งที่จะสืบสองลูกนี่จะหนีเจ้านี่เจ<อ>้านี้ก็ตามทวงก็ชาะช่างมัน แล้วที่บอกว่าเมื่อเร็วๆที่ไอ้อะไรอหนังหนังเท้าคลองอะไรขึ้นมานั่นนะสองเท้าผมแน่ๆว่าเอาเข้าภาษาเนี่ยพราะว่าอยู่ๆมันคองให้เฉยอ่ะไม่มีเวลาก่อนจะไปเข้าภาษาก็ไม้จิ้มฟันมาแทนแทนเท้าที่ใช่ใช่ทดี้ใช่อ๋อเรามาต่อมาก็คลองขึ้นบนใช่อันนี้เป็นบาเรามีอะไรที่หลวงพ่อไม่ใช่โลกไหลออก หลาไหลลงล่างเลยพองพองก็เป็นน้ำๆปรากดแปะก็แตกไหมเบาตลกเบาอ๋อแปะนะฮอแม่ได้ายพูดชาตินะครับก็มันมันตุ่มเดียวก็หนึ่งแล้วว่าแปะกก็แปดนิ้วนิ้วแม่ถ้าพูดแล้บถ้าพูดแล้ววันนี้ผมจะหมดเยอะนี้อ่ก็เป็นอันว่า ใครจะลองทำดูก็ได้นะเหรียญสัมสมุทรถ้าความจริงเขาตามแบบฉบับว่าเอาไว้ในขันแล้วก็แกรลานานนะอันนี้ก<อ>็ดีเขาตั้งใจดีจใช่ไหม<อ>โอ้ดีจะให้ศักดิ์สิทธิ์ทั่วทีวิวตก็เอาไปจ้างสัญปกรรมนาผาแล้วก็เอาเหรียญสามมุทรโบกเลยเลย <laughs> ยกผมจะลองทำเป็นคนแรกดยนะเพื่อจะได้ผลพิชนาพอใช้ไหมคบครับ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 แล้วก็หยุดแล้วก็ตายเป็นอีกวาละหนึ่งลูกมีจิตรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันคงจะมาบอกผมว่าให้ทำบุญทำกุศลอุศิ์ไปให้เพื่อนๆมันด้วยนะมาตราบเรียนปรึกษาหลวงพ่อว่าการทำบุญกุศลอุทิ์ให้แกกุ้งจะต้องทำแบบไหนถึงจะถูกใจกุ้งอรับใ<อ>นกุงกุงต้องสร้างคันหลังกุุงกุงครับเฮ้สร้ง <S <S> างโบสถ์สร้างโบสถ์ละครับ สร้างโบสความกว้างสักสามวายาวสัิสองวาเรียกว่าไปกาวที่สุขส่ที่ถูกใจกาวไม่โตโอ้สายสวรรค์สังฆทานเยอะแยะไปแล้วการสังสังฆทานถือว่าดีที่สุดเลยนะถูกสุดแล้วอ๋อสูกสุดเลยนะเออใครที่ขาดขาดขาดชีวิตนะทาบุญอย่างอื่นไม่สื่นใจไม่หายไม่โอ้โหสิก็ลองลสังฆทานดูก็ได้ ไปเจอคืนนี้องค์ละพันทั้งสามชุดรับรองเลยครับเดยกลับบ้าน ท, <c oughs> ทุนหมดครับทารุษไมนี้แม่นี่นี่ในไลน์นี่ใ น, น, นไฟว่าท่าสูงบอกเอมื่อเมื่อคราวที่แล้วบอกมันเอาไมา่อยู่อ่ะทำทำจกนกระทั่งผัวสะกิดบอกนี่ยังไงยังอยากทารถษดวนะเ <c oughs> มย์ก็ บ, บอกเออมาวัดท่าสูงเรื่องโตกรถเรื่องเล็กผลปรากฏว่าอตก ตา ม, มเป้าหมายไม่ได้ซกขึ้นไม่ทัน <c oughs> ทำบุญก็หมดเน้มหมดตัวเลยดีแต่ว่าโชคดีอะไรรู้ไหมแกมาอธิษฐานที่พระหน้าโบสถ์โบสถ์วัดท่าสุ่งอบอกว่าพลาดแต่หลวงพ่อโ <c oughs> บสถ์วัดท่าสุ่งปัดนี้ลูกโจบรถแล้วจะไปขอเงินหลวงพ่อก็เพลงใจก็เลยมาขอบรารมีหลวงพเจ้าที่อยู่หน้าโบสถ์ให้ช่วยช่วยสองพระให้กลับได้มันก็เจ้า ก, กรรมจริง ไอคนที่จะกลับกรุงเทพไอตอนไฟไปกันหลายคนแล้วที่ตอนกลับมันไม่กลับออค้างวัดท่าทุงเออแกก็จะกลับคนเดียวแกก็กลัวแกก็จะหาเพื่อนกลับแกก็มาไหว้ที่โบสถ์วัดท่าสุนอัศจริงจริงอ่าค่าแต่บ <c oughs> อกอ๋อีมีคนไปกรุงเทพด้วยเขาว่าไปคนเดียวมันตัวยังว่าตัวนี่ไอคนนั้ น, หนเห็นกำ ล, ลังไหว้กก็เข้ามากล่คาถ้าว่าไหว้ทําไมกอกหาเพื่อนกลับบอกเออใช้ก็ไหว้ต่อ ตกรถหมดีเลยผมสุดท้ายเขาก็เลยพามาส่งที่กรุงเทพอ่านี่ผมกำลังจะเอาบ้างเนี่ยถ้าตกรถจะต้องไปไหว้ที่หมดเวลาอ่าประูตรงตกรถในเองนะนะตกรถได้กลับไม่เป็นไรก็ร า, าถือว่าโชคดีนะออย่างนี้ก็เรียกว่าอารมณการทำมุนหมดตัวก็ถือว่าทำมุนสูงสุด นี่นี่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะอันนี้สูงมากการทําหมดเลิกหมดตัวใช่ใช่อแต่ไม่ต้องถึงกับหมดแบบนั้นหรอกขนั้นเลยกว่าเรากันค่ารถไว้แล้วกันค่าหันไม่แล้วนะครับหรืออย่างนั้นทําบุญทั้งหมดแต่การส่วนนี้ว่า ย, ยังถือว่าทําบุญหมดตัวอันนี้เขาหมดจริงๆอันนี้สูงๆมากมาที่เรก็ได้ผลแหมปัจจุบันทันุบันด้วยนะอันนี้สงก็สูงจัดหายากเวลานี้เราใกล้สี่ทุ่มแล้วนะอ้าวนี้เพิ่งสามทุมครึ่ง นี่เลยทีสองนาทีสี่ทจากกสาก็ต้องไอหลังนี่ต้องต้องตักเอาไว้อนี้ดิีแก้ขวานขวานลกเอาล้เให้เยี่ยมไม่ได้ลนะามาเียอย่างนี้นี่อยู่ก็อยู่ไม่อันเดียวกันเหรอือซีเหมือนกันแล้วกันลซีให้ได้ใช่มออยู่ซีไอกันทันทันไปกัเห็นเอาล้เหมือนกันนะเคยอย่างนี้เจ้าค่ะ ลูกหลานอยากจะทําบุญหรือจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสนองคุณท่านให้หายโดยเร็วๆเลยสักครั้ขอคำแนะนาําจากหลวงพอ่อช่วเมตตาแนะนําเพื่อไปการกตัญญูปตะเวทีสักครั้งเถิดเจาา้าค่ะหลวงลุงบอกให้ปล่อยปลาปล่อยปลาอะไรครับโอ้โหอา้าวลุงตอบทันทีโอ้านานโอยูมานานแล้วโอหมานานแล้วที่เสาตัวนี้ใช่ไหมฮะ ใหงแดงเนี่ยชุดเดียวเลยโอ้แหมครับเป็นนะว่าท่านที่จะกตัญญูปะตะเวทีท่านจะกรมเสริมกำ ล, ลังป่วยป่วยขนาดนี้นะปล่อยปลานะท่านก็นทานด้ว ย, วยปล่อยปลายท่านนะปลอดภัยครับรวมเสริมที่ทาไม่ตายในห้าร้อยปีอยู่ได้ห้าร้อยเยอะนะครับถ้าไม่ตายนะโอ้มีมีวงเล็บดเลยเหรอใช่ครับแมหมเป็นห่วงท่าน ไม่เป็นไรรบไม่เป็นไรครับพ็อใหญ่เขานี้เาเดียวต่อไปไม่มีอโอ้ฝ<อ>ัดดหลวงพ่อเจ้าขาเมื่อเดือนที่แล้ววันฉลองพระเจา้ากลมมหาลาชวัด ท, ท่าุงลูกจะมีโอกาสไปแล้วก็เวียนเทียนรอบจุฬามณีพร้อมด้วยลูกพระเจ้ากลมมหาลาชในขณะเวียนเทียนนั้นปรากฏว่าน้ำตาของลูกไหลร้ลองไห้เอาไม่อยู่สออกเสอืึนเป็นอย่างมาก ครั้งๆ ท, ที่ตอนนั้นไม่ได้มีปีตรงปีติอะไรเลยแต่ก็ประหลาดใจอาการอย่างนี้ได้เกิดขึ้นลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าในขณะนั้นพระเจ้ากรมมหาราชท่านโศกเศร้ า, าอะไรหรือทําให้ลูกตจงร้องไห้ตามท่านไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เืจะปีติปีติเหรอครับเจ้าของไม่รู้ว่าปีติเจ้าของยืนละปีติอ๋ อ, อไอ้พรอึดก็อึดน้ำหูน้ำตาอะไหลใช่ใช่ใชปีติตัที่สองเน คนพอเสียงร่างการไหลร่างกายยกโตโอ้ดีถือว่าเป็นนักรอบรุ่นเก่าด้วยกันอ๋อใช่มใช่ใช่เพานฆ่าสึกมาด้วยกันข้าูกเชื้อชาติไทยเป็นั้งแรกเพราะยังเริเ็เจ้ากมหาราชหรือบอกเป็นเป็นต้นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ประเทศไทยงั้นเหรอไม่ใช่ต้นแล้วเป็นอะไรต้นกษัตริย์ที่กว่าจะถึงพระเจ้ากรมได้หกสิบตำแหน่งกว่าก็คือไกักว่า แค่ว่าไม่มีสงคราม s <S มันมีสงครามสมัยพระเจ้าพังค ร, ราชเอกอ็อดแอร์เินไปใช่ s <S อันนี้ขอมดำมันก็กำเริบที่จะยึดประเทศไล่คนไทยก็ oh, <yeah. S 2> ไล่ไปอยู่ที่เมืองสีทองเมืองพิทรงได้ไนมาย่ใชพ <'s> ระเจ้าพรหมเกิดมาถึงยุติสองปีก็สั่งพ่อบอกเลิกทรงบรรณาการ เพียงขุดบ่อน้ำเกรว่าถ้าขาสิ่งมารอบเมืองใช่ไหมค็ัจะได้มีน้ำาืินเตรียมการรบเต็มที่้ะได้ช่างกายกับกายมาดเป็นคนำนำครับต่อไปก็าพระเงามก็สร้างบุญบา ร, รมีห น, นักสร้างยังไงผมตีแหลกแลงเลยปวดปวดเจ้าต่สันทสายขึนไปถึงเมืองเสยียงใสงเขางเานั้นเตะใเมืองพลอมันหนีไปทุ่งยาง องท้าพว่งมาสามวันต้องสั่งย้ำให้กินข้าวยังตัวกินข้าวสักทีเอโอพอกินข้าวทีนอิ่แล้วไล่ตีต่อไปอีกสร้างบุญบารมีมากเพราะนั้นฉันอายที่เป็นลูกศิษย์พระเจ้าพรหมยังต้องป่วยมากเนี่ยอนี่หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์พระเจ้าพรหมเหรอโอพระเจ้าพรหมโอ้เลยป่วยตามพระเจ้าพรหมไปด้วอยี่ใช่ใช่ใช่อาศัยลูกสิษก็แสดงว่าคนที่ร้องไห้เนี่ยก็คงคงจะหุ้นส่วนในสมัยนั้นไม่เจ้าหัวละ หุ่นแง่แที่นั่งนี่ยและที่นั่งกระเจะกระแฉนี่ก็แง่แงั้งเลยแง่แอ๋อกินหัวเผือกหัวมันมาด้วยกันอ้ที่เขไล่อกจเมืองมันมีข้าวจะกินกินหัเผือกมันต้องทากระทาใหญ่ๆจีกันมีอะไรก็มาะสมจงกันนะครับเจ็บสวองทำต้องร่อนต้องทำส่งสวยเขาโอ้แต่เครกเทวกล้าในคนไทยอยู่แค่ไหนแล้วล้เข้าเจ็บเขาไม่ได้ถ้าจเป็นเมืองของเรามันไล่สีไล่ฝัน ไม่ความเจ็บใจของเด็กก็มีอยู่ใช่ไหมราบครับพระเจ้าคุณมหาราชเป็นแม่ทัพชารล้านอยุแค่สิบหกปีโอ้โหยังหนุ่มเฟี้ยวเลยนะยังไม่ทันหนุ่มดียวที่ผกยังไม่หนุ่มเลยครับที่แปเขาถึงหนุ่ม๋อ้โอหนึ่งแปดเอาให้เข้าล็อกไปได้แต่ <laughs> <laughs> ก็ดีนะการตีท่านคนนั้นเนะ่ะ ดีย oh, ังไงหลวงพ่อพอมาถึงสัจนาลายได้เมียเลยแม่เจ้าแววพระเจ้าพระเจ้ากลมได้เมียเหรอครับได้เมียโอ้โหตีเก่งเนี่ยได้ทั้งเมืองทั้งเมียเลยนะใช่ใช่ได้สหมออ๋อแต่เจ้าชูน่าดูไพระเจ้ากรมเลยเลยไม่ใช่เจ้าชูเขายกให้เองอก็มีพระอาจานึงบอกว่าในเมื่อซึซื้อสัจนาลายรอบเมืองเขาเขามายกให้ผ่านเขตอ๋อ เราจะไล่ขอมขอมมอนก็วิ่งหนีไปใช่ไหมครับครับซึ่งสีสัจจนาลัยเขาตั้งทับกันเลยไม่ยอมผ่านเจดก็ต้องรบกันครับครัเมื่อกําลังเขาเรามากกว่าพวกเมืองพวกเมืองต่างๆที่ทราบว่าเราไลา่ขอมใช่ไหมครับครับเขามาสู้เพราะเปนกํามากกว่าเขาเลยตั้งทหารรับเฉยๆเขาไม่ออกมารบอแต่ว่าเขามีปืนนกศัตว์สิบสองร้ร200อยก็บอกเราไม่มีแต่ทหารพวเมืองเขาเ้าไปอาสาตีตายไปหลายคน เจา้าขอเลยสไม่ต้องตีล้อมแบบนี้ให้มันอดข้าวเองก็ยยอมเองเห็นท่าหลายวันเขาก็มีก็พกดวงหนึ่งท่านแฝดหนาพระเหรอเป็นแฝดหันไม่ใช่พญ า, านท่านทราบว่าพระเจ้าของก็ลูกสาวพระเจ้าเมืองนีเคยเป็นผู้ครองมนันใช่ก่อนให้อบอกให้เจ้าเมืองโยนลูกสาวพระเจ้าของเสียเพื่ อ, อ เ, เรื่องสองคราม เขาก็ยกให้พอยกให้แล้วเนี่ยผมได้สองมเจ้ามเดียวใช่ไหมครัครับที่ได้เจ้าเมืองครับที่ได้มเมียด้วยเราได้ได้มเมืองด้วยอ๋อที่ว่าได้ทั้งสองมเหรอครัสองมอ๋อพอเขาให้มเมียแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปตีกันเลยแล้วก็ได้มเมืองด้วยโอ้ที่เท่าไรครับคแล้วแล้วชื่อชื่อของมมที่สองันชื่ออะไรครับทุมมวดีประทุมมวดีนะครัโอ้ ไม่ใช่ประตุมมันไมจได้แต่ตอนนั้นเันไม่ได้หันเร็วเดี๋ยวเร็วอยู่แถวหน้าอยู่แถวหลังไงเร็วแถวช้างคอช้าง อ, อ, อนี่คงจะเป็นอนันสมตอนลั่นถึงได้ปวอยในตอนนี้นะมันไม่ไแค่นั้นอย่างเดียวไม่ไหลาชาติก<อ>มีอีกเหรอครับเข้าไปตีอีกไอการสงครามในฆ่าสัตว์จีตัวโอ้โหใชไหมตัดตั ต้องข้าวัวข้าวควายข้าวเปลือกข้าไก่เล่นอาหารน่ยมันเยอะแยะอ๋อไอบาดเนี่ยมันมันมันเต็มตาของฉันเนี่ยก็ช่างช่างไม่ได้แล้วโอ้โหก็เอาแค่นี้ก็บนตัวแล้วเอาแค่นี้มึงก็เอาไปให้กูหนีชาตินี้โอ้ยนี้เล่นหลบกันเลยเลยเนี่ยไม่หลบหนีเยอะๆโอ้โหครับนั่นก็ลูกหลานควจะภูมิใจนะแค่นี้จะเอาไงก็เอาไป มีครับเนี่ยค้อลมมาไล่แล้วอติดเนื้อปาตัวใช่อ้โหใช้เอาเื่องให้เคืองสถให้สถิช่งมันโอ้อเจ็บไข้ป่วยกระช่างใช่อ๋อก็รู้อยู่ฐานะานกมตายานโอ้ในเมื่อเราใช้ถานกรรมายานเราจะทราบทันทีว่าป่วยไข้คือราเรื่องมันเกิดเพราะอะไรเป็นอืู่ครับภายหลังก็ไปลดปับอ้อเราทาเขาอย่างนี้ เวลานี้เราวินโทษแต่นี้นล้เราฆ่าเขานะนับพันนะทุดนั้นนะแล้วเราก็แค่ป่วยไม่ถึงตายถ้าต่อมาก็เจอที่ไร้ชาติจาเอองเจ้เขาเป็นไล้ชาติก็จะมาถึงตอนนี้ด่าทุกชาติแล่าบุญบารมีดะทุกชาติถ้าจะถาาจะคัพจำนวนคนที่ตายไปดีครับเลยแสน ห, ห, หน้าเรามา ชาติสุดท้ายไม่ป่วยหนักขนาดนี้ไม่ใช่นักเสียบวยเบาลม่ยนเบาเลยเนี่ยไม่ถึงตายโอ้โยังแข็งยังใจแข็งนะงั้นถ้าลูกหลานใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะเอาเนือกว่าตัวเองลาบากแะให้ดูลุงพ่อเป็นตัวอย่างนะก็ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ราะเราคิดว่าเราฆาดขอมกันมามากเราฆ่าศัตรูเพื่อเป็นคนไทยนั่นเองก็มีมากที่แข็งเมืองเราฆ่าพามากเราก็มามาก มันทวงแค่นี้ช่างมันก้าไปนิพานดีกว่าครับครบตกลงก็ไปนิพายกันพลาดนี้รุ่นหลังพระวินศภ า, ากับรุงมีใครใส่บาตรใคีนิ่ากันหมดไม่ต้ อ, อ, องห่วงก่อนิกร <c oughs> ไม่ใช่แหวแว่าแหวว่นก็ได้อ้าวในรู้นนญญนะในนัยยะากัมชายานนะในพวกเราเคยทํ า, เทางเข้าไว้หลวงพ่อเจ้าถาหรือว่า ลูกตั้งใจว่าวันเ่าร์ยันกรอบเพชตรงกับเสาร์ห้าที่วัดพราทรงลูกจะทําพิธีขึ้นบ้านใหม่แล้วก็จะนิ ม, มนต์กายทิศขงหลวงพ่อมาทําพิธีเปิดไป้ายไม่ทราบหลวง พ, องพออ่อวันนั้นไอ้วันเสาร์นี่นนนนเขาไม่ขึ้นบ้านใหม่ต่อห้านะต่อห้าม ห, ห, หรอครับใหญนะมันเป็นวันแข็งอเขาไม่ทํางานบางคนประเภทนี้นะงาน ก, าก<อ>ันตกแต่งก็เลื่อนไปวันอาทิตย์วันศุกร์ก็ได้สิ เอาสะกเอาก่อนมาวันนั้นใชจไหใช่ใช่โอ้ยอย่าไทำไม่ดียะบงนนใครจะเขาอใจเปลี่้อวันแข็งแข็งเวลาเปิดบ้านจะได้บ้านเด็ดเด็ดเร่ว้ว่าก็ปากแข็งตังโตทะเลาะกันเรื่อยโอ้โทษฉันไม่ได้ปพระเค่ชาวตกเย็นตัดนะใช่ใช่างานตกลงให้เปลี่ยนวันตกงั้นอย่าไปเอาเสาห้าจะเดือดร้อนามเขาวรนตกก็ตกซบจะไปไม่ทันดิอ่า หลวงพ่อจะขาในขณะที่ลูกเจริญพระกรรมฐานเดี๋ยวก่อนวันนั้นอวันจันทร์จะดีวันจันทร์เหรอครับอวัจัรดีอ๋อวันจันทร์อชื่อชื่อชื่อชื่อป๋อมนะคนชื่อป๋อมนะจามวนะอวันจันทร์นะกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงอ่าคือว่าลูกนอนหลับกลางวันแต่พอตื่นขึ้นมาลูกก็จะเจริญภาวนาต่อ จะว่าฝันก็ไม่ใช่จะว่าอะไรก็ไม่เชิงคือว่าอย่างนี้เห็นท่านหมอชีวกโรมาลพัทเป็นนิมิตอันนี้เขาเรียกนิมิตนะใช่ใช่ไม่ใช่ฝันนะใช่ใช่อ่าครับพระบารมีอ้ท่านมาแนะนำว่าขอให้ลูกขอให้ลูกอย่าเดือดร้อนต่อไปเลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ให้ขอบา ร, รมีหลวงพ่อวัดท่าทุงไว้เป็นที่พึ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยเพราะวัดท่าทุงมีบา ร, รมีมากลูกเห็นว่าหลวงพ่อไม่สบายไม่อยากรบกวนแต่สองสาวันนี้ไม่ค่อยดีเลยขอสักครั้งเถอะเจา้าค่ะนี่ไม่รบกวนนะหลวงพ่อนะจริงเขาไม่ได้รบกวนเขาขอ๋อ้สักครั้งเดียวนะให้ต่อไปสักสครั้งครับ เขาแบบอาหารจานเดียวแต่ว่าตัดส า, า, ายครั้งนะครับค่ะอีกเจ้ า, า, าหนึ่งนี่ก็มาตั้งแต่กลางวันไม่ทันเพราะว่าหมดเวลาเลียนถานลงท่ออนิดเดียวตรงที่ว่าคือว่าหนูได้ซื้อที่ดินแต่บะเ อ, อิญที่ดินแปลงนี้มีสารตะกูมเดิมอยู่เอจะเอาออกก็ไม่สบายใจจะไม่เอาออกก็ไม่ได้เพราะว่าจะต้องปรับปรุงใหม่ เรียนถามหลวงพ่อว่าลูกควรจะทําอย่างไรเพื 1> 1. ่อไม่ให้เกิดโทษทั้งสองฝ่ายเจ้าค่ะนี่ฉันรู้แล้วตอนจากข้างบนรู้แล้วเหรอท่านเนี่ยเูืแล้วท่านว่าพูดเข้ามาคุยแล้ท่านท่านท่านทรงตัดว่าไงครับฉันบอกว่าจะย้ายก็ได้จุดทูบบอกก่อนให้บอกพรนเอกสีพันนะรู้เรื่องกันขอ้พรนเอกสีพันนะใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรครับครับอ่ก็ ที่ลูกศิษย์ลกิเมื่อกลางวันเองจำได้ตอนนี้อ่าผ่านไปหลวงพ่อเจ้าขาคือว่าเ อ, อลูกปกติไม่เคยฝันเลยแต่เพื่อเมื่อเร็วๆนี้ฝันนิดเดียวคือว่าหลวงปู่ปานเนี่ยท่านมหาลูกท่านเอามือที้ตกหม่อมลูกแล้วเป่าคาถาลงบนศีรษะลูกมีความรู้สึกสุขใจเป็นอย่างมากแต่ที่จะเรียนถามก็คือว่า ลูกควรจะปฏิบัติทำธรรมะแบบไหน <c oughs> จึงจะเป็นที่ชอบ อ, อกชอบใจของลูกปู่ต่อไปเจ้าขาไอที่ทำแดีแล้ว<อ>ทำตามเดิมไม่งั้นท่านมันมาสงเคราะหะ์หรอกคาพเป็นน้วารักษาลมเดิมไว้งนใช่ใช่ใช่เราสบายใจ <c oughs> หลวงพ่อเจ้าขาในขณะที่ลูกกำลังเจริญภาวนาหายใจเข้าให้ใจออกแบบอนาปาอยู่นัน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 เป็นห่วงช้างคิดถึงช้างตัวนั้นเป็นอย่างมากอยากจะเรียนถามว่าจะปฏิบัติธรรมะแบบไหนจึงจะเป็นที่ถูกใจช้างเจ้าข่าเอาแล้วคือเขาใจพิดกเล่นใหม่มาแล้วให้ประจัเดิมโอให้ที่จิตมันวิไปค่อจะเป็นลมนะคือว่าทำทนแรกลมหยาบการเริญกรรมฐานกันลมอยากใหายใจแรงๆทั้งห้าครั้งยาวๆโอ้ลึกๆเลยนะ แันจะระบายลมหยาบไปการยังยังไม่แสโสแต่ก็เป็นฌานนั่นเะขอจิตเป็นฌานได้ไหมฌานช้างนี่จะเกิดตายก็ผมก็เป็นข้อทีพผานช้างไปเลยนยครับอืออัดอึดอัดนี่เกี่ยวกับเรื่องอ่าลมหายใจยังหยาบไปนะธนาปลยลมหาบไปธาปยังยาบไปเพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องแก้ไขให้ใจรู้สึกต่อไปราษาหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง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 บ้านถวายวัดกระซุงใช่โอเป็นอะไรวะแก้ปัญหาเรื่องนี้คือเอาบ้านถวายวัดเหรอใช่ๆแล้วปัญหาหมดไหมหมดที่เขาไปอยู่กับต๊อบ <c oughs> เป็นเรือเ่องปวดเรื่องปวดลาวไปเลยนะี่อะเอานี่สิอยงงากให้เขาหลวงพ่อครับให้หาพรนเอศวิภัยเขาไปดู เขาแยกเจนจาเทวดาที่นั่นได้นะครับครับคนนี้เขพูดกับเทวดาได้อ๋อชือว่าเขาได้ชื่อเล่นชื่อแดงเนี่ยเหรอแด่องอคนนี้มีความถนัดในเรื่องนี้นะถนัดมากเอาละวต่อไปพี่แดงนอะถ้าต่อเทวดามาได้เลยสามสิบปีแล้วคนเนี้ยเหรอใช่โอ้มีจริงก็ตั้งศาลเสิมประคุณกุคุณอะไรก็ได้หมดตั้งไม่ได้แต่เชิญได้อ่าไว้อันเดียวคนเหรอตั้งกระเสิมตั้งมันต้องตั้งเสาฝุดหลุมบางคุณเลย คงแก่แล้วเสื่ให้ต่างศาลเวลาซื้อก็ซื้อถ้าไเกินไปไม่ใช่ซื้อผรูธรรมชาติไทยครับครับดีแล้วนะเราได้ลูกหลวงพ่อเป็นที่รักใครเกี่ยวกับเรื่อ ง, งสารภูมนสงสัยแล้วก็ถามแล้วก็เชิญไปตั้งได้ไม่เสียตังค์ครับแสนเจ็ดผูกไว้ก่อนดเดือนเจ็ดสิบตั้งมไม่ต้องจ่ายกับคนนี้เด็ดขาดให้แต่แบงค์พอแล้ว โอ้สันโดจถึงนาดนั้นใช่ไหมครับใช่ๆๆ่้หมัอยโดดต่งางแมวเสด็จ น, นะฮะอาหลวงพ่อเขารับแระผมฝึกมโนโมยิทธิได้แล้วมีความศรัทธาอยากจะบวชที่วัดท่าทุงสักเก็ดวันแต่นี้อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าบวชแค่่วดคาวเจ็ดวันเออหลวงพ่อจะเมตตาอนุญาตหรือเปล่าหรือว่ามีอะไร ไม่สัมพัดข้องแต่เวลาไปเป็นหน้าต้องเป็นหน้าก่อนนะทิฏวัตรุขงเนี่ยเหรอใช่ต้องไม่ระเบียบของวัดก่อนอถึงแม้ว่าจะได้แล้วก็ต้องซ่อมกันมาถ่ายก่อนแล้วสื่อสาระเบียบของวัก่อนแค่วันเดียวต้องสื่อสาระเบียบเหมือนกันสื่อสารระเบียบแต่โปรเพไว้ปวดถ้าไม่มีทางวัดสุขงอ๋อมีปวดเอาเงินให้แล้วสิบล้านมันจะไม่รับเลยสิบล้านน้องเขาไม่เอาเหรอยี่สิบยังไม่เอาเดี๋ยวนี้ก็ ม ไ, มไม่ใช่ระเ<อ>บียบเขา เ, ขาา ร, เรีเยกพระเ จ, จ, จาา้าต่อระระเบียบเขาว่าติทยปริวัติอน่าลืมนะติทยปริวัติท่านจะอยู่สามเดือนไปประสิทธิมาทิปัญญาถ้ายังเอาดีไม่ได้ให้อยู่สามเดือนถ้ายัง ไ, ไย ง, ง, งไม่ได้อยู่สามเดือนถ้าสามเดือนสามหนเก้าเดือนไม่ได้ห้ามหมดเลยตอนนี้ของเราใช้วิธีรัดให้ถึงพระโลหิตี คือต้นมาที่ฐัญาสำคัญตรงนี้นะถ้าได้มโนยิทิแล้วก็ยออปฏิบัติาระบียู่ั้งวัดได้ในหมู่ใกลนในนองติ้งต่างสมมติว่าจะเหมาให้หลวงพ่อนี่ทักทิตราคาเท่าไหร่สมบูสิบแสนก็พอโอ้นี่ขนาดขันโดดนะขันโดที่เนี๋ยไม่ถึงสิบล้านเลยบุตรหล้นอย่างนี้ก็มาเลี้ยงถุประมาณก็ไปไม่ได้แน่ที่วัดนี้นะไปได้ ไปได้นะครับแต่จริงๆทาไม่แพงอ้อหพเสียขาดันทางเลครับจริงๆที่วัดท้าสูนทรไิมาาอยู่แล้วนะทาตามระเบียบดีไม่ดีหลวงพ่ออาจจะออกให้เคลรใช่อ้คลีได้จ่ายเช็คมาก่อนเพื่อความมั่นใจในการบวชนี่นะใช่ๆใ่เรียก่นที่เล็บก็ไม่ให้กระเด็นที่วัดทำเอเนี้ยคนคนถามไมีมีหรือเปล่าคนถามอย่และครับ เดี๋ยนั่งทางในดูก่อนโอ้อะไรมือแบบเนี้ยต้องผ่านแง่แง่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าพ่อเลาเมียก็กสอนนะให้เมีอนุญาตเนี่ะถ้าเมียไม่อนุญาตเอาวิชาถูกทอดโอ้โหนี่อย่ามาพูดจีนี้นะต่อไปผู้ชายบวชจ้าเดี๋ยวเมียไม่ให้สิพอถ้าเมียไม่อนุญาตที่บวชไม่ได้เลยทรอกถอดบวชได้แต่ญาติถูกทอดเสมีเรี่ยโอ้ อย่นี้ก็ต้องปลอมลายเซ็นเมียบอกว่าอ่ะดูยากที่แล้วเขาไม่ยอมเอาลายเซ็นเขาตัวไปเลยโอ้โหลุงนี้ไม่มีเมียสักคนดีบวชยากจากเราก็เม่เริ่มมีเมียมีแต่ปัญญาสิที่ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะ อ, อะ้าวอ้ครับครับดีนะบวชพระธาตุสงได้จะได้ประโยชน์มากหลวงพ่อเจ้าอ่าบวชพอดีเลยนี่บวชชีจะ ก, กี่บวชละนะหลวงพ่อเจ้าสา คือว่า ล, กลูกบวชทีอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งพรเอิญมีความจะเป็นในภาษาไตรามากสามเดือนอยู่ที่วัดไม่ได้จําเป็นจะต้องหมอกเฝ้าวัดก็มีหลานตัวเล็กๆอยู่แต่ว่าการเฝบบ้าวัดนี้พ่อวัดปฏิบัติกรรมฐ า, านลูกผอนแบบหลวงพ่อเปรียบทุกประการแต่ไม่ทราบว่าจะมีพราณาลิสงเหมือนกับอยู่ที่วัดหรือเปล่า ม, มีอะไรทีเขาไม่ห้ามอยู่บ้านเขได้เขาทีอยู่บ้านได้หรอได้ อธิบายกรรมานน้เสื่อมคลายกันแลกมอกันมีนนนมสิทธิมาทิพยปญาทรงโซใช้ได้เลยอโสทประเภทนี้มันก็ผิดประเพศเพื่อนเนีะทำไมสัาผี่ผจะไหนหลวงออครับมันต้องถ้าบทที่ว่าถ้าทรงต้องบทในเพลงอะไรเอากคือบระพุนี่มีความจำเป็นอย่างก็ลดลาวาส อ, อิ่นขึลล้นลลงไม่ได้ไม่ได้ต้องบทในเพลงอาก็พคะาุทธอยู่กรุงเทพไกลๆยังไงก่อจะไปร้ยอะไรก็บอกมา โอ้ไปคนละแหวนเลย <c oughs> ที่สุดครับ อ, อ๋อกลายเป็นกล้วยบูชีกล้วยงั้นเหรอนี่นี่นี่นี่เลยเพลนแล้วนะ <c oughs> ยังมีอารมณ์ยังมีอารมณ์ได้ยินอเไรหรืออยู่ดีนะโอ้ไม่อ่านไม่ทันเลยเดี๋ยวไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะไป อ, นนะะอ่านครับอ้าเอาทุ่เจ้หลวงพ่อเจ้าขาออนี่ตึกสมาธิ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 อย่าลืมนะวันละสองนาทีละสิบวันเท่าไหร่พ็ยี่สิ บ, บนาทีร้อยปีเท่าไหร่โอเ อ, าอยางนี้เหรอใช่<อ>พิธีที่สมมาที่สมโทมจะอานาปาเรื่องจิใเฉพาะทราบไหมถึงลหาใจก็าออกหาใจเขาหาใจออกนับเป็นหนึ่งถึงสิบใช่ไมทราบราบตั้งใจที่ว่าถ้ายังไม่ถึงส10ิบจิตมันบอกว่านะาเริ่มต้นใหม่เอาให้ถึงสิบให้ได้อ่ีที่สุดตอนนี้นะทราบรบ ก็ลวมความว่าแม้สองนาทีสามนาทีก็ใช้ได้แล้วนะมันใช้ได้อยู่แล้วอ่าเรียกว่าดีแล้วลนาทีพระพุทธเจ้าทรงใส่พระสาีบุตที่ประตับก็สารีบุตรดูก่อนชารีบุตรบุคคลใดทำจิตให้ว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งลาบสถาคุเขากล่าวว่าบุคคลนั้นมีจิตไม้ว่างจากฌานสองนาทีที่เหมือว่างจากกิเลสนะลาบลา ใช่ได้ใชได้นะฮะสองสามนาทีเวลาไปใช้ได้ <c oughs> โหนี่อ่านไม่ทันเลยลาภท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกอ่านธรรมวิโมกเมื่อเดือนกรกฎาหน้าห้าสิบสี่โอ้หนี่อ้างหน้ามาเลยนะยังดีเลยกันเชยอ่านเลยอ้าวหนังสือที่ออกจากวัดท่าชุมไม่ได้อ่านเลยเหรอ <c oughs> ไม่อ่านมืม้อละอ่านขาดขาดต้แสดงหลวงพ่อโชคดี อ่านธรรมวิโมกเดยนกระดากดาหน้าห้าสิบสี่ว่าด้วยปฏิสัมพิทาสีอะไรวิโมกแปดิญญาหกจึงสงสัยว่าวาิจึงสงสัยว่าคนที่จะอะไรบรรลุสามอย่างดังที่หลวงพ่อว่านั้นสมมติว่าจะทำบุญเอาในชาตินี้ลุ้นร้วนและอธิษฐานว่าเจ้าประคุณ ถ้าฉันเป็นลาหันมาลายขอให้ได้ปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดอภิญยาหกอธิษฐานอย่างนี้จะมีความสำเร็จในชาติปัจจุบันได้หรือไม่เ จ, เจ้าคะสำเร็จสำเร็จเหรอครับหลวงพ่อสำเร็จสำเร็จอธิษฐานโอ้ <c oughs> ลงทุนแทบตายนอก่าจะสมความปรารถนาจะไปทำาำไมถ้าเราฝึกิโที่พี่ให้ดีแล้ว ความยากยากความจริงแค่ขึ้นปณิพานได้นี่ก็เจ้า้นเหลื้ลแล้วจุดเปจุดหมายปทางแล้วเนี่ยอยากได้ไปเฉลิมชยานอยากได้ไปทำไหมสงสัยจะไปดูเล่มีความหมายเลยแค่นิพันธ์อยอะไรอะไรก็แค่นิพันธ์ยังจุดสูงสุดเรียกว่าสบายที่สุดก็คือนิพานธ์ใช่ใช่ใชอย่างนี้ก็ไม่ส่องไปเอาแล้วไปดูไม่ได้ยังมีคนฉลาดแยบิเลยครับก็ขอโง่ต่อไปขอความโง่จนเจริญนี่ เออเลยเลลูงเอ้ยหลวงพ่อจะขาลูกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเอ่อในที่พระสอนว่าผู้ที่จะเป็นเทวดาได้ต้องประกอบด้วยหิริโอตฝ่อายชั่วครัวบาปแล้วก็มาสงสัยตอนที่พญามาราธีรากไปแกล้งพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการคนที่จะแกล้งได้นั้นต้องมีอารมณ์โกรธอิจฉานิสยาพยาบาท ไม่น่าจะเป็นเทวดาได้เลยเรื่องนี้ลูกสงสัยมานานแล้วขอความสวาา่างจอันนี้เข้าใจผิดอ้าวแม้ที่เขาสอนก็นมานานแล้วเป็นยังไงกันแน่ให้สอนเพราะสักพระยกทรงก็เคยสอนละแอบสารภาพบาปเล ย, เกยโกรธแมหมมาอวยพรกันต่อหน้าต่อตาเลยเหรออวยพรกันหลังยื้เรื่องเลยอ๋อครับโมตนาเพื่อที่ให้พรต่อหน้านะเนี่ยเรื่องนี้เป็นเเทวดาท่าน เช่นอะไรเช่นเท้ามาาลายเนี่ยเนี่ยม้าราดที่าดเนี่ยโอ้โหมาา้าลาดที่ลาชชื่อเดิมที่เท้าม้าลาย ค, าความจริงท่ า, าไ น, นไม่ได้โกรธอ่ะแล้วค่ะที่แกล้งแนะไม่ได้โกรธแต่ความจริงหน้ามันเป็นเพื่อ น, นกันกับพระเจ้า พยายามมาลาธิราไหมใช่เป็นสมัยพุทะภูมเป็นเพื่อนกันอ่าแล้วกันต่อมาในเมื่อบระรลุปฏิเสสมาธมดียาณแล้วใช่ไมครับครับท่านคิดว่าในเมื่อพระเจ้าบรรลุปฏิเสธสมาธมรรยานแล้วจะสอนคนบปฏิพันธ์หมดเวลาที่ตัวเองปฏิพันธ์ไม่ได้เป็นพระเจ้าจะหาลูกศิษ์ไม่ได้ถูกโง่เข้าเตาทนฟันเท่าจอบโซหน้าแล้วโซหน้าแล้วระวังก็ดีมาแล้วเหรอครับมาแล้วผมไม่ได้พูดนะคนอื่นเขาพูดนะ เดี๋ยวนี้ลาแล้วฮะไม่เอาแล้วเหรอพุทธคุณจนแทมอะลาแล้วโอ้โหอีตอนถั้นเราแหมกลัวเพราะกลัวจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ากลัวจะไม่มีรูปสิทธใช่จะไม่มีรูปสิทธอ๋อทีนี้มองไปหมาเหลือแหล่ไหวว้ยตกหลงเลยลาแล้วลาแล้วอ๋อทีนี้ก็ไม่เกเรสิเป็นคนดีนะฮะดีจรรที่อาจารช่วยนะดีเลยในวารฐานที่อารช่วยนะท่านพยายามาลที่ลาเนี่ยใช่ใช่อกจารลงเพาะ มีะหาว่าเราอย่าเรียกพญามาราธิราช ต, อ ง, ตองเรียกอไรคำพ่อเรียกพญามาราธิราชันกแฝงถ้ามาไลก็ามาไลนะแต่เพื่อนนี้เนี่ยดีเที่เ ท, hills, เที่ยวเท MM. ่ี้จะทาบรนเลยไม่ได้ <c oughs> ดีไม่ดีเอาหนักกว่าเก่า<อ>กเลยโอต้อเรีเท้ามาไนะเอ า, าละงวดนี้พอจะอาศัยได้แล้วก็ท้ามาไลแต่ถ้าไม่ออกมาก็ ก็เป็นอันี้จังทุกฝั่งอน้าตาเถอะนะอ้าวเป็นอันว่าที่สอนกันนะผิดนะนะผิดขอได้ปรับโดททำฟังเข้าใจสมัย้วก็นั่นเทพก็จะโวยวายีปเสมอสาธุสาธอ่านหนังสือแล้วไม่คิดพระเทวดาที่โปรดไว้ได้จะโปรดต้องจุตินั่นน่ะสิแล้วไม่จํา แล้วหลวงพ่อไอ้ที่เบอกว่าอะไรยกโคนคนวัตถุเศษนาไ ม, ม, ม, มีมีมีคอดมีช่างมีอะไรนัร่นจะเป็นสมมติอ่าแล้วกันเวลาเขามาถามเนี่ยเขาไม่ได้ไปยกผลนคนัตถุเนะแล้วมาคนเดียวแ ล, แลยนะสองลูกสาวว่าสามคนถ้าเปจันกันเรียบร้อยไม่ <laughs> ไปต้องไปกันแล้วนะก็ไปไปแค่ น, นี้อ๋อแล้วต่อมาถ้าันหลับตาถ้าจะยนตา ไอตอนที่ยกกำลังมานั่ไม่ใช่ยกกำลังใหญ่แต่เธอมาคนเดียวเธอติดข้างๆเลือมตาเธออย่าไปไหนเลยเป็นลูกเสษเพื่ออะไรเป็นพระเจ้าจังพัดดีกว่าพรเจ้าจะไม่สนใจเลิ่มตามาบอกาปาป็มะดูก่อนมนันเ ป, ป็นแบบไปซะนะจะยกกระถ า, านโคต จริงจริงแล้วแค่นี้เองนะแค่นี้เองโอ้โหต้องเขียนภาพหน้าตัววาดเสียวใจใจเพราะไอ้นั่นเปภาพสมมขึ้นมาอ๋อกราบกรบเอาเป็นอันว่าสว่างกระจ่างใจมนแล้วต่อนี้ไฟเราจะเป็นมิตรกระทามาลายขอพ่อทามาลายจะช่วยยกทรงดเถิดพระพุทธเจ้าข้าเดว้ยเขมสองตัวแล้วผมไม่เคเดี๋ยวนี้ไม่่อยหลบแล้วครับเรื่องหวย ท่านเรียลงขันดีนะองนี้เหรครับนี่แค่ท่นชอบกันชอบทะเากันอ๋ออะไรขันแตชอบทะเลาะกันมีคราวหนึ่งใช่ไหมใช่เรานอกเวลาไม่เป็นไราลงเวลางเทไปแค่สามสินาทีก็เจงนะอ๋อท้าวันหนึ่งตอนสี่โมงเช้าว่างใครไปใครมาก็ไม่มีเต็มถึงสี่โมงเช้ามีสมาก็ลงกลอนออมาตันประตู เที่ยวไปเที่ยมานะเอ๊ะฉันจาตมาราชยังไม่เคยไปเลยว่ า, าก็ไปหาท่าทศรถท่าทศรสกันรถจริงๆทำไมฮะมีเตอกงเกงไม่มีเสือ้อถูกามมาในจังในจาจัามาาา่ามี่เท ว, วาดาทาไมนั่งไม่มีเสื้อจะด้าไม่ใสเขาถามมันมัมนจาเป็นเรือก็คุยไปคุยมาไปเจอรุ่น้องใหมายเยอะ คือเราไม่ได้อกเอ้ยเพื่อนเก่ามาแล้วโอ้เสียงเจียวเจียเจียวเจที่เคยอยู่ด้านนั้นมาก่อนอ๋อเคถวราอ๋ออดีตเคยอยู่มาก่อนเคยเคยเคยอยู่ด้านท่านทานท้เหนืออ๋อเคยใหญ่มาก่อนี่ต่อไปก็ชวนกันยกทัพไปหาท้ารือหกก็ไปกันหมดถถึงทาเรือหก็ชวนไปหาท้าเรือปากก็ไปกันหมดแต่ถึงท่าไวสวรันต์ครานี้เองวกยักษ์มาไม่เ้ยงหแล้วเสียงไม่ถึ้ฟังไม่ได้เลยเพื่อนเก่ามาแล้วเพื่อนเก่ามาแล้ว ถามถ้าไปสุวรรณเวลานิเทวดามาหมดทั้งหมดเลยถ้าผมเป็นเวดาไม่มาแค่ต่อไปก็าพากไปหาโยมยาตุพระร่าทั้งหมดยกทัพไปทั้งหมดเดี๋ยวบอกวันนี้จะไปรบกัน